นี่บติก็ต้องมีปฏิปปะกายเป็นประจำตามวิชากรรมฐา น, น, นกายเป็นลักษณะการศึกษาก็เป็นเหุการตามที่ชชวิช์สอนไว้ในวันเป็นเดือนหก พระองค์กูเขินเข้าเหยียบแขนออกให้รู้จักตัวให้สมพัสกับควมรู้จักตัวที่มีกายที่เป็นรุ่นเป็นก้อนจริงๆ่อตั้งไว้สิ่งใดเกิดขึ้นกับกวายก็ให้รู้จักตัวอย่าหนีออกไป ให้มีที่ตั้งเขาว่าตั้งไว้เมื่อหลุดออกก็มาตั้งไว้อีกมล้ก็ตั้งไข่ล้มแล้วตั้งขึ้นอีกล้มแล้วตั้งขึ้นอีกเดี๋ยวก็จะตั้งได้มั่นดีมันก็หลุดไปเรื่อยเพราะไม่เคยฝึกหลุดไปในรูปในรสในกลิน่นในเสียงในความคิดต่อไป ก็มีวัตถุอาการที่เหมือนเคยหลุดออกที่เหมือนเคยไหลไปตาเห็นโลกก็ไหลไปหูได้ยินเสียงก็ไหลไปจมูกได้กินลิ้นในรสก็ไหลไปถ้ า, ล า, าลกลับมารู้จักตัวเวลาใดที่มันหลุดออกไปได้กลับมารู้จักตัวนี่คือศึกษา ก้ไมกลับมาไม่ใช่ศึกษาศึกษามันต้องเห็นจริงเหล่านี้เพราะเราเป็นหลักอแล้วมีหลักอยู่แล้วกลับมาตั้งไว้ตามบลาีบทที่มีดุ้นเป็นก้อนจริงจริงสัมผัสได้จริงๆนี่คือไหลเคลื่อนไหวอยู่นี่ มานใช่คิดดาวเต็นต้นเป็นก้อนสัมผัสยอมรู้จักตัวมาสัมผัสกับกายเคลื่อนไหวมันก็ต่างกับกับที่มันคิดไปที่มันหลงไปอะไรก็ต่างที่มันหลุดออกไปก็ถือว่ามันหลงไปแล้วกับว่ารู้จะต่างกันอยู่ ระหว่างควมหลุดออกไปกับความรู้จึกตัวนี่มันต่างกันอยู่ให้สัมผัสเราตรงนี้เมื่อมีเจตติดูแลกายอยู่เป็นประจำก็เห็นเรื่องที่เกิดกับกายมากมายเหมือกับว่าแม่ดูแลลูกอะไรเกิดกับลูกก็เพราะแม่ก็เห็นแม่เห็นกับคุ้มครอง ป้องกันลักษาก็ปลอดภยัยเราคุ้มครองอะไรก็เห็นภายจิงที่เกิดขึ้นกับจิงที่เราคุ้มครองนั่นเราก็ได้แจ้ไขอันที่มันเกิดไม่ดีให้มันดีขึ้นมาได้ ขึ้นคองบ้านเดือนก็เห็นไปที่เกิดจากบ้านเรือนที่มันทำํำไมชุดสมเห็นพวกกันนมอดจินก็อะไรรักษาบ้านเดือนก็อยู่ได้นานเวลาใดที่เห็นมันคิดมันก็เห็นกิตที่มันคิดก็เห็นอีกจะได้คุ้มของกิตอีกดูก่อยเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิด ก็ก็มีกำลังไปดูกิต ด, ดีเพิ่มของกิดจิต ก, ก็ปลอดภยัยอันตรายศัตรูที่เกิดกับกิดก็มีเยอะแต่อย่าหลงไปอยู่ในความคิดที่มันดึงให้หลุดออกไปกลับมาตั้งไว้ที่กายเหมือนเดิมจิตมันจับมาได้เหมือนกายเกาไม่ได้เหมือนกาย กูเห็นเข้าเหยื่อฉันดอกมันมีกํำลังพอทําให้รู้สึกตัวขึ้นมาได้ง่ายไม่ใชคิดเอาอาศัยธรรมชาติที่มันเป็นไปเองมาไม่ค่อยจะทันมันเจตนาท่าเป็นนุ่นเป็นก้อนเป็นหลักเอาว่าอย่างนี้เมื่อเราไปหลักเกาะไว้ในกลางน้ำที่มันไหลอาศัยที่เกาะไว้ก่อน ต่ไปทียังไม่ยังไหว่ล่ามไม่เจงก็เกาะไว้ก่อนจยุดออกไปก็กลับมาเกาะไว้อีกต่อไปมันจะเช่มแข็งตอนที่มันรู้จักจกลับมาทวนกับเสียกลับมาว่จาจะเช่นแข็งแก่กล้าขึ้นเหนียวแน่นขึ้นง่นายขึ้นจะดวกขึ้นเรียกว่ากลับเรียกว่าทวนกลับ บาตที่บาตรคือกลับมากลับมาลู้จักตัวกลับมาลู้จักตัวนี่มันเป็นการฝึกให้มีความเฉ่มแข็งจำนี้จำนานเป็นเช่นนั่นประสบการณ์บทเรียนที่มันผิดใสเป็นความถูกขึ้นมาอันนี้เดีว่ามีบทเรียนที่ดี ประจบการณ์ที่ดีของผู้ปฏิบัติเองผู้ปฏิบัติต้องทำเอาเองไม่มีใครทำให้ได้รักษาของใได้รักษาของปลอดภัยให้เกิดกับกายกับใจนี่มันถูกที่สุดแล้วแั้นก็เราดูแลอะไรดูแลป่ารักษาป่า ดูแลไก่ก็รักษาไก่ดูแลกัโลอกก็รักษาการลอกเห็ น, นภัยที่เกิดจากการลอกเห็นแมวมาลอกกัดเราก็จนานาญในการเห็นศัตรูเห็นข่าศึกที่เกิดกับโลกล้วก็ป้องกันได้เวลาแมวมันจบมาแล้วก็เลยไล่กันโลก อะไรไล่ก็ไล่แมวหนีเดี๋ยวไล่แมวหนีแมวก็หนีเวลาเราไล่มันก็ตนีไปมันกลัวหมามาจิ้นไก่เราไล่หมาหนีหมาก็กลัวไล่สองข้างสามข้างหนาก็กลัวไม่กล้ามาถ้าเราไม่ไล่มันก็มากินจนหมด เคยมากัดแมวมากัดกับลอกก็กัดกับลอกอยู่พอเราเดินไล่มันให้มันกลัวซะสักครั้งสองครั้งสามครั้งมันก็ไม่มาจะลอกก็ปลอดภยัยไก่ก็ปลอดภยัยเช่นนี้ถ้าเราไม่ดูแลอะไรแล้วก็ไม่ได้คุ้มของอะไรไม่เจอของที่เสียหายเกิดขึ้น เรามีชีวิตอยู่จริงแต่ว่าไม่มีประโยชน์เลยที่เป็นการคุ้มครองสที่มีอยู่มันก็เลยไม่เหลืออะไรเราไม่ีกายไม่ใจไม่ได้คุ้มครองกายใจก็ไม่มีกายกายก็เพิ่งใหม่ได้ใจก็เพิ่งไหม่ได้การดูแลกายการดูแลจิตใจที่มีสตในี่มันมีอเนกสงมาก ่ที่เหมือนเคยมีเครผ่านที่หลงเคยใช่รักใช่เห็นอื่นนั้นจะหมดไปความหลงก็จะหมดไปความทุกข์ก็จะหมดไปความโกรธรู้อะไรก็จะหมดไปต่ว่าเราเห็นมันเราได้เป็นผู้เห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นก็ไปลอดภัยได้แล้วไม่เข้าไปเป็นนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมา อะไรเกิดขึ้นมากับไปรเราเห็นมันอะไรเกิดขึ้นมากับใจเราเห็นมันหรือว่าเป็นเจ้าของได้ป่ะเนี้ยแตพูดว่าเป็นผู้เห็นไม่ได้เข้าไปเป็นเนี่ยสามกันตรงนี้สะดวก่าขึ้นได้เห็นเราง่ายถ้าเป็นมันก็ยังไม่ง่ายว่าเดี๋ยวหัดให้มันเห็นมันก็เลยง่ายขึ้นง่ายขึ้น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 การรักษากายก็ปลอดภัยการรักษาใจก็ปลอดภัยแล้วไม่มีภัยแล้วชีวิตที่ไม่มีภัยจะเรียกว่าพระอธิเจ้าได้มีจิติเป็นหน้าโลกมีจิติเป็นเจ้าของอย่างนี้ก็มีค่ามากขึ้นชีวิตได้ มีที่อาศัยได้ประเด็เมื่ออาศัยได้มันไม่เป็นอะไรถ้าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์สิ่งเวดล้อมหรืออะไรก็จะเกิดขึ้นมาเป็นการครบวงจรสุขภาพก็จะดีและเบียดไปไหนก็อาจจะดี จะเป็นอาชีพกอาชีพก็จะดีไม่มีการแบ่งปันก็ไม่มีล่วงไหลก็มีศีลก็มีสมาธิก็มีปัญญาทบลายควา ม, มูมหลงมลายลงได้เคยเสียวเวลากับความหลงเสียเวลาความโงภเสียเวลากวาสุขความทุกข์มันไม่เสียวเวลาไป มันก็มีพลังมลแม้แต่ไปรับใช้คอื่นแล้วจึงเป็นการควบวงจรไปหลายอย่างสังคมกว่าจะดีไม่ทําให้ตนเดินเดือดร้อนไม่ทำให้นนนคนอื่นเดือดร้อนเมื่อไม่ทํำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ถือว่าทำความดีมีกายก็มี ถ้าวานทำให้เกิดความดีได้มีใจก็มีความคิดนึกสสแสดงออกทั้งกายวาจาได้อันที่เป็นความดีแล้วก็เรงานในการชอบกันมามีคมพูดที่สื่อสารกันได้บอกผิดบอกถูกได้พิสูรน์กันได้ ้ามีแล้ากันว่าเขาหลงกวไม่หลงก็มีจะมีผู้บอกอย่างนี้เวลาเราทุกกวไม่ทุกกวมีจะมีผู้บอกอย่างนี้แล้วก็จะได้เห็นกระแสได้นำไปปฏิบัติจากคนหนึ่งสองคนสามคนไป ผลมีดเป็นเพื่อนมีกัลยาณมีดเกิดขึ้นคนดีเกิดขึ้นเมื่อคนดีเกิดขึ้นอยู่ที่ไหนก็มั่นคงเหมือนพ ร, ระราารพุทธเจ้าสอนเสลิมพระสัรีบุตพระโมคังลาบุคลายที่ใดพุทธบริจัตมั่นคงสารที่บูตจนที่ไหนพุทธบริจัทก็มั่นคง อนุทะอยู่ที่ไดมากัะตวาดอยู่ที่ไหนอนุสิทธิธ์ก็มั่นคงก็ช่วยการเกิดพุทธบริจัทแน่นหนาขึ้นเป็นตนดีเกิดขึ้นก้อนก็ไม่ใช่เป็นก้อนหินสามารถแสดงออกได้แต่ก็มีแต่คนที่ไหนก็มีแต่คน แล้วก็มีวัตถุอาการหลังๆเปิดน่าจริงเป็นการฉกฉศที่สมบูรณ์ทั้งเป็นความฉกทั้งเป็นความฉกสมบูรณ์ไม่ใช่สุขแบบอาศัยอ า, อาวุธอาศัยวัตถุจริงของเป็นความุกที่เป็น ไม่มีอะไรอาศัยเห็นนี่และมิดสุกสุกไม่ต้องเอีงอะไรเราพูดแล้วก่อนหนือสุกหนืาทุกเหมือนคนเป็นโลกขี้กากแล้สาชี้กากให้หายแล้วแต่ก่อนในชีกากแล้วเรามังครั้ก็ได้เกา่านั้นเป็นความสุขแบบอามิดได้เกา่า ที่เหมือนคันที่กลอกเกลื่อนจึงมีความจุกวันนี้เราสอนชี้กลอกให้หายจะเรียกว่าฉุกเดือไม่ก็ไม่รู้จะเรียกอะไรคือไม่ต้องเกล่อีกแล้วไม่ต้องไปหลงไปโกรธไปทุกข์อีกแล้วจะเรียกว่าฉุกหรือม่มีแต่ทุกข์ตอนนั้นเกิดขึ้นมีทุกข์ตอนนั้นตั้งอยู่มีแต่ทุ ก, ทกข์ตนอนตอตนั้นดับไป เจ้พุทธเจ้าสอนเทศกันแรกโกรัญญาลู่ตามก็เป็นหลักฐานมายังกินจิตสมุทายรร ม, มังสะพันทังนิโธรธมมันติอย่างใดจิงหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาสินั้นก็ต้องดับไปเป็นธรรมดายกนิ้วให้กับคำรรสอนว่าทมเนี่ยประเสริฐจริงๆสามารถพิสูจน์ได้จริงๆ ถึงว่าแน่แล้วแน่แล้วอย่งโดยเกิดขึ้นจางนั่นเป็นความดับไปเป็นธรรมดาในแน่ที่จุดแล้วแน่นอนแล้วยกโกโดยชื่อว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้แต่ก่อนยังไม่ได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะยังไม่สอนก็เดือดในรูดตามเพราะสอนกในรูดตามก็ชื่อว่าสัมมาสมพุโทโธ ได้เต็มบัดตดาเต็มเต็มมาจรฐานเต็มรอบมาเช่ตาคือยึดมั่นถือมั้นนะยึดมั่นใ้ธรรมทำไปจดหน้าทำไปที่พึ่งได้มาสส่เดือดไม่เป็นที่พึ่งได้แล้วกัประมาณจะอย่างนี้ ก็เห็นเป็นหลักเป็นฐานจริงๆในคำสอนในธรรมะเนี่ยผิดถูกมันก็มีสิ่งที่ผลงบอกจริงๆตกวจะก้าจิกใจเรานี่ตอบได้ทุกชีวิตว่าแต่มีจิติจดูแลกายใจสติเป็นเจ้าของกายสติเป็นเจ้าของจิตใจ เห็นทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับกากับใจที่ไม่ใช่จัตติมันจะ ต, ต่างกันอย่างนี้ก็ํานานในกายในใจไม่จะต่างกันอยู่เปิโตกจะต่างกันอยู่เพราะมีถ้ามันเป็นรูปเป็นนามแก้แกะได้รูปตองเป็นรูป ไม่ได้เป็นอื่นไปนามก็เป็นนามตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามมทํคแต่มันก็สัมผัสได้สําหรับส่วนตัวของไขของเราวนี่ปัญหามรรคมชั้นตีก็ออกอย่างนี้ทำไมไปภาค รูปน้ำแบ่งเป็นแบลงออกเป็นกียางอะไรบ้างแบ่งให้ดูแบ่งรูปน้ำให้ดูมีเป็นกี่อย่างมีอะไรบ้างรูปน้ำคือรูปใบทนาสัญญาสังขาะวิญญาณเป็นรูปน้ำ รูปของเป็นรูปแบ่งเป็นสองเลยได้สองคือรูปเป็นลูกเวท น, น, นาสัญญาสังขารมิยานั่นเป็นนามเราจะตอบก็ตอบอย่นี้ก็มันเห็นอย่างนี้รูกทำนามทำมันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้เวทนามันก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงมิยานก็ไม่เที่ยงอย่างนี้มันจะเหลืออะไร อันแบ่งให้เห็นเดี๋ยวว่าตีละคั้ละปริญญาแกกแกะแกงออกไม่มีอะไรเหลือจึงไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยในรูปในนามนี้เมื่อไม่เป็นอะไรในรูปในนามนี้เมื่อก็เหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายได้พ้นทุกข์ได้ มันปัญหาได้ไม่มีอะไรจะมาเป็นตัวเป็นตนโลกก็ไม่เที่ยงเกิดกันแล้วดับไปไมิแล้วหายไปสติเป็นสังขารวิสังขารก็หายไปได้รูปร่างกายจิตใจและรูปตามนามตามทั้งหมดทั้งสิ้นสติเป็นสังขารและวิสังขารไม่เที่ยงตั้งนาน สังขารมีวิญญาณของสังขารไม่มีวิญญาณของไม่เที่ยงเกิด น, นั่นอย่างคนทุกวันนี้นักเวิชาตเดี๋ยวเรื่องโลกมันมันจะหมดไปเรื่อยจบหายไปเรื่อยไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้ก็อะไรก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะ คนก็วิตกกังวลบางทีก็ว่าประเทศอย่างประเทศอะไรมารายันเอะไรนี่ว่าโลกจะแตกแต่พระเจ้ารู้มาแล้วเรื่องนี้สอง0ันหปีมาแล้วมาไม่เที่ยงเราถ้าเราไปลูก่ายืดดาไแม่ตควมจุกก็ยืดดาวว่าเป็นตัววาตนของเรา ความทุกข์ก็ยึดเอาว่าตัวว่าตนของเราแม้แต่มันคิดเข้าไปยึดในความคิดให้ความคิดไปไปจุกเป็นกข์แต่เราไม่รู้ปอกบางเหลือเกินนีจิตมีใจก็เพิ่งจิตใจไม่ได้อันนี้มีกายก็ไม่มั่นใจอลากาจังออกอะไรที่มันเกิดุกับลูก ก็เป็สุกเป็นทุกข์ได้วางทีต้องไปติดสงเสติดใอ้คำวัตถุที่มันติดในกายไปชิไปเสไปติดต้องมันก็เป็นสุขเป็นทุกข์ก็าทุวันนี้ฉันยอมมากจะพายก็เป็นสุเป็นทุกข์เมื่อบัติดแล้วเมื่อบาด้ เจ็บิงที่เจ็บติดนั่นก็เลือดร้อนเก็นฆ่ากันวันดีทุกข่าทุกทำลายไปเยอะเพราะวแม่ก็ข่าได้แล้วก็มาให้หลงไปอีกมันติดได้รูปดีดามนี่ใช่ไหมเป็นก็ว่าเป็นทุกเป็นโทษได้แต่ใช่เป็นก็เป็นประโยชน์ จะมังหันใช้รูปใช้ร่างให้มันถูกต้องซะจะได้ไ ม, ม่มีทุกข์ไม่ีโทษจะได้ปลอดภัยในโลกจะด้วยกันลูกอมสันติสุขหันใช้รูปให้ถูกให้รูปจักตัวเนี่ยอะไ ร, รก็เกิดขึ้นมากับรูปรูปจักตัวร้อนก็รู้จักตัวหนาวก็รูปจักตัวเก็บเปลืก็รูปจักตัวไว้ก่อนเหนียวก็รูปจักตัวไว้ก่อน ถ้ามาลู่จึกตัวถ้าลู่จึกตัวก็มีปัญญาเกี่ยวข้องกับที่มันเกิดขึ้นนั่นนามที่มันคิดไหลเกิดทุกอยาก็ลู่จึกตัวซว่าที่อาจจะเคยกินที่มันเคยไหลเคยเป็นอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับนามกับปัยกับมันก็กลับมาลู่จึกตัวซะได้สอนตัวเอง ไม่โจนเป็นผู้ไม่โจนไม่โจนใจล้วเราไม่ฝึกก็โจนยนรับใชสิ่งที่มันเกิดขึ้นเวลามันโกรธก็ทำตามความโกรธเวลามันทุกข์ก็ทำตามความทุกข์สแสดงออกทำให้ตัวเองเดือดร้อนคนเดือดร้อนได้พวหลอาจึงพากันมาฝึกเนี่ย มาใช่อย่างอื่นดอกมาใช้เพื่อลดเจ้าลดทินี้กายพวกป้องบริวานรนันลายชวนกันมาโมออกเรยวกันเกิดเจียเจ็บตายด้วยกันมาศึกษาเรื่องนี้เป็นทางออกที่ทางมันมีอยู่ไม่ให้ไปจำนวนไปยอมมันหัวล่อล่อง่ายอยู่ที่นั้นเมื่อไรที่ท่านเป็นทุกข์ คนที่ไม่เป็นทุกข์เหมือนท่านทุกข์ก็มีอยู่ตอนใดที่ท่านมีปัญหาคนที่ไม่มีปัญหาก็ยังมีอยู่มาชวนกันอย่างนี้แน่นอนต้องเสียต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันไม่มีใครที่เหนือจริงเหล่านี้ดูในความไม่เที่ยงท่านนั่นอยู่ในความเป็นทุกข์ ตอง น, นันไม่ใช่ตัวตนต้อง น, นั่นไม่มีใครเป็นใหญ่บันได้เราจะมาขวนประมาทชีวิตยังมีอยู่ยังพอทำหน้าอยู่ก็มันใช่อะไรมาได้ก็ก็ เ, เสียชาติไปเฉยเฉยนีย่มาใช้ชีวิตส่วนนี่ลองดูร่วมกันลองดู เป็นพี่เป็นเพื่อนกันลองดูศึกษาลองดูเมื่อเราศึกษาเรื่องนี้ทุกคนก็จะตอบได้ทุกคนนั่นแหละไม่ต้องอาศัยใครคนอื่นสอนเราจะรู้จักสอนตัวเองสอนกายสอนใจตัวเองผิดถูกรู้เอาเองได้ไปแยกความผิดที่เป็นความถูกทำอย่างนี้อย่างนี้ ไปแก้ใใความทุกข์เปนความมาทุกข์เคยทำอย่างนี้อย่างนี้ถ้าจะทำเป็นเองพรุเจ้าก็บอกเป็นผู้บอกส่วนการกระทำเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายสนใจเรื่องใจในคำสอนปฏิบัติตามคาสอนนั่นนำไปปฏิบัติเมื่อท่านรู้แล้วท่านจะบอกคนอื่นให้รู้ตามด้วยอีก เป็นเช่นนั้นไม่มใครปิดบางการพาน้ารู้เรื่องนี้เดี๋ยวว่าเปิดใบก็พูดเป็นตาบอกก็เห็นผลอย่างนี้มันก็พูดออกมันบอกผิดบอกถูกได้้วเรื่องนี้ของเท็จของจริงมันรูก้กับทุกคนมีนอยู่กับทุกคน ท่านสองปัดกับความรู้จักตัวเนี่ยเป็นเจนฑ์ชีวิตละไว้เป็นฐานาละไว้หลักกรรมาฐานที่ตั้งในการกระทำํำอาชีวิตเรื่องนี้ให้สะดวกในเรื่องนี้อย่าไปใช่ยอย่างอื่นให้เราเจี่ยวข้องก่อนก็ให้สะดวกเรื่องนี้วันหงข้าวกองหงข้าวให้รู้จักตัวเรื่องนี้ ปนปาเพลก็ให้รู้จักตัวได้คนเดินยังกอม่็รู้จักตัวคนนั่งสร้างสติก็รู้จักตัวนี่อันเดียวกันแท้สามารถจับบันไดเป็นเกณฑ์คิดวัดก็ได้อย่าให้งานการงานพลาดหลงย่อยการงานพลาดผิดใช้ความถูกต้องกับการงานได้ทุกรูปแบบ เนี่ยวัฏมาสิติสมมาสังกะปะสมมาวาจาสมมากรรมันตาสมาจีว่าสมมาวาญามาสมมาสติสมมาสัมวทิเหน่งทั้งหมดเลยไปตลอดโลดฟังจริงๆหมดเลยการดำเนินชีวิตตามหนทางนี้เป็นความถูกต้องแล้วก็สมมาสมมาสัมปาไปหมดเลยไม่ใช่มิจฉาะมิดเฉา แต่ก่อนเป็นมิจฉาได้ความเห็นผิดความอะไรทั้งใจใจผิดพูดจาผิดวงมันลู่แล้วมันไปได้ถูกหมดเลยแต่ว่าทานละเมไใ้แต่ความดับทุกข์ชนจุดหมายปลายทางกสมควรใจเวลานะเนาะพวกเราก็กราบพระด้วยกัน